ท่าต่างท่านต่างมาศึกษาอบรมอย่าลืมที่พูดแล้วพูดเล่าเกี่ยวกับเรื่องการมาศึกษาอบรมให้มีน้ำหนักอยู่ภายในจิตใจของตนโดยสม่ำเสมออย่าให้จุดจางว่างเปล่าไปเสีย ในสารคุณที่ได้คิดไว้แล้วในเบื้องต้นได้แก่การมุ่งมาเพื่อศึกษาอบรมส่วนมากมักเป็นเช่นนั้นจึงหาผู้ทรงอัดทรงรมตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้และทรงสั่งสอน ตลอดสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านสอนไม่ได้ประหนึ่งว่าธรรมนี้ไม่มีในโลกนี้เลยมีแต่กิเลสเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสารออกตุ้นจานตีตลาดลาดเลยไปหมดไม่ว่าแดนบ้านแดนวัด คารวาตพระเนืเป็นสนามเล่นกีฬาของกิเลสลก่อปืนก่อไฟเผาตัวถ้าหากว่าเรามียานเหมือนพระพุทธทเจ้าหรือเหมือนภาษาวกท่านมองดูความจริงทั้งหลายที่ระหว่างกิเลสกับหัวใจของสัตว์โลก ที่เกี่ยวพันกันจนถึงกับว่าเป็นคำว่า ก, กรรมกรรมหรือวิบากกรรมแล้วเหมือนโลกนี้จะหาที่ปรุงที่วางไม่ได้เลยเพราะมีตั้งแต่ธรรมชาตินี้ออกหน้าออกตาทำการทํามานกอบโกยผลประโยชน์ของตนจากหัวใจสัตว์โลกโดูที่สัตว์โลกนั่นก็ แต่ว่ามีแต่ความรู้เท่านั้นการหยิกกันหรือต้านทานต่อสิ่งนั้นที่มาเกาะกลุ่ยเอาผลประโยชน์บนหัวใจเรานั้นเราไม่มีเลยภายในจิตใจความรู้ประเภทที่จะนํามาหยิกกันต้านทานอันนั้นไม่มี เมื่อเป็นเช่นนั้นการมาศึกษาก็ไม่พ้นที่สิ่งเหล่านี้จะเข้ามาแบ่งสันปันส่วนเป็นอย่างน้อยแล้วบีบบังคับเอาซึ่งซึ่งหน้าเป็นลำดับลำดายอยู่ตลอดมานี้รู้สึกจะเป็นประจำทำทั้งหลายที่ท่านแสดงไว้ว่ามีว่ามีนั่น ท่านทรงไหวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมที่เป็นฝ่ายผลทรงอยู่แล้วภายในพระไัยของพระพุเทธเจ้าจึงได้นําออกมาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างเต็มพระไถ่หรือพูดภาษาของเราก็เลยนํามาสอนอย่างเต็มปากไม่มีคําว่ากระดากอายกิเลสเลยเพราะกิเลสได้ม้วนเสื่อลงจากพระไถยท่าน หมดแล้วไม่มีสิทธิ์รเหลือทำที่ว่าประเสริฐเลิศเลอที่ได้ออกมาประกาศสอนโลกว่าทรทมนั้นพระองค์ทรงไว้โดยสมบูรณ์แล้วแล้วประกาศให้โลกทั้งหลายได้ทราบทั้งผลคือทมแท้ที่พระองค์เสวยอยู่ภายในประทยัยทั้งทั้งเหตุ คือทางเดินเข้าไปสู่ธรรมนั้นก็ทรงประกาศสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมท่านภูมิวุณิสัยสามารถที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วก็รู้ได้รู้ได้รู้ไ ด, ได้เมื่อรู้ได้เต็มส่วนแห่งธรรมแล้วทมที่พระพุทธเจ้า ทรงไว้นั้นสาวกทั้งหลายก็ทรงธทมประเภทนั้นเช่นเดียวกันเรียกว่าทมกับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วโล่งไปหมดในแดนโลกกัตถานนี้ไม่มีอะไรที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องทาลายหรือมารบกวนได้เหมือนอย่างแต่ก่อนที่กิเลส ต, ตัวสำคัญยังมีอยู่ภายในพระทัยและใจนั่นเ นั่นท่านเรียกว่าทำเปิดเผยดังที่ท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับประวัตนสูตรว่างานางอุดปานเกี่ยวกับเรื่องสิ่งทั้งหลายที่จะทรงรู้ทรงเห็นด้วยพระญาณของพระองค์และคำอาโลโกุดปานี้สว่างอยู่ในพระทัยนี้ด้วยสว่างออกไปสู่ข้างนอกไม่มีปิดบังลี้ลับด้วยได้ทั้งสองประเพณ คำนี้เปิดเผยในพระไตรของพระพุธทธเจ้าถ้าเราทั้งหลายมองเห็นได้เช่นเดียวกับพระอาทิตย์แล้วพระไตรของพระพุธทธเจ้าทุกทุกพงที่ทรงทำประเภทนี้นั้นเราจะเทียบได้ว่าเหมือนพระอาทิตย์กี่ดวงละ่ะปีนาเพียงพระอาทิตย์ดวงเดียวนี้เราก็เห็นสว่างจ้าแล้ว พระทยของท่านที่ทรงอัดทรงรมเอ็มที่ในในนั้นแล้วเมื่อผู้ต่างคนต่างก็รู้จริงเห็นจริงอย่างเดียวกันนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างสว่างขนาดไหนเพียงแต่เรามีกิเลสก็ตามถ้าเป็นวิสัยของเรามองดูได้เช่นเดียวกับเราดูพระทิศพระจันทร์เราจ ะ, จะเห็นความ อัจจจรยท์แห่งความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านขนาดไหนว่าอย่างนั้นเลยทาไมเราจะนอนใจได้ในการประกอบความภาคเพียรและก่อนที่ท่านจะได้ตรัสลูหรือบรรลุธรรมและบรรุลุธรรมคือสาวกทั้งหลายนั้นท่านได้รับความทุกข์ความทรมาน เพราะอนาจของกิเลสนี้บีบบังคับอยู่เรื่อยมาไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันความทุกข์ความทรมานทั้งหมดประมวลลงแล้วไม่มีสิ่งใดมาทำให้ทุกมาทำให้เกิดทุกพพทุกชาติแบกหามทุกมากน้อยเป็นลำดับมานอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อได้ ทราบทั้งโทษเต็มพระไทยอย่างนี้และเห็นทั้งคุณก็เต็มพระไทยอีกเช่นเดียวกันแล้วการสอนโลกจึงสอนอย่างเต็มภูมิของศาสตร์ดาพระเมตตามีเท่าไหร่เต็มพระไทยก็ทุ่มลงไปหมดตั้งแต่วันตรัสจะรู้ทีแรกจนกระทั่งวันป ร, ริพานยังทรงห่วงใยสัตว์ทั้งหลายอยู่อีก ก็ประกาศศาสนาธรรมมาไว้เช่นศาสดาของเหล่านี้ <c oughs> ประกาศไว 5, ้ห้าพันปีเพราะยังพอมีผู้ที่จะยึดเอาสารประโยชน์จากธรรมของพระพุทธเจา้านั้นอยู่มีจานวนมากมายเนี่ยธรรมนี้ถ้าหากว่บเป็นสิ่งที่ออกตาลาดลาดเลยได้แล้วจะไม่มีอะไรเสมอเหมือนเลยในแดนโลกกาัตนี้ขอให้ทมได้ แสดงตัวออกเต็มที่ภายในจิตใจของสัตว์โลกนี้ลองดูโลกนี้จะเป็นอย่างไงบ้างผิดกันกับกิบเลสออกแสดงตัวตีตลาดลาดเลยเต็มโลกเต็มสารนี้เป็นไหนไหนเวลานี้มีเราอยากจะพูดว่ามีแต่สิ่ง น, นี้ทั้งนั้นในหัวใจของสัตว์โลก แม้ชาวพุทธและผู้นักบวชผู้ปฏิบัติเราก็ไม่พ้นที่สิ่งเหล่านี้จะเข้าย่ำยีตีแหลกอยู่ตลอดเวลาจึงหาเวลาที่จะรู้อัดรู้ธรรมเพราะความภาคเพียนด้วยความตั้งใจจริงๆนั้นไม่ได้นิตะกิเลสทำงานอยู่ตลอดเวลาแต่เจ้าของก็ภูมิใจว่าเราได้เดินจงกรมเรานั่งสมาธิ เราภาวนาเท่านั้นนาทีเท่านี้ชั่วโมงเอียบบทนั้นนั้นะแต่สิ่งที่มันไม่บอกไม่กล่าวซึ่งเป็นความลี้ลับของมันตัวฉลาดแหลมคมนั้นมันทำงานอยู่ตลอดเวลาในหัวใจของเราที่ขาดสติแม้แต่ยังมีสติอยู่ธรรมชาตินี้ที่มีอำนาจ ก็ข้ามสติให้ได้ต่อหน้าต่อตาข้ามปัญญาของเราไปได้ประหนึ่งว่าเป็นเศษไม้เศษคนเศษพระเศษเนินไม่มีคุณค่าอันใดเลยในปัญญาเหล่านั้นที่เรากําลังบำเพ็ญอยู่เพราะอำนาจของมันเหนือกว่าสิ่งเหล่านี้อยู่มากมายด้วยเหตุนี้ธรรมชาตินี้จึงต้องเพ่งผ่านดูบนหัวใจของนัก บ, บวชผู้ปฏิบัต กระจายออกไปทั่วโลกดินแดนไม่มีช่องใดที่จะว่างซึ่งจะไม่ได้ทํางานงหรือพิเรนนี้ได้ว่างงานไปเพราะไม่มีงานทําไม่มีสถานที่ทํางานแต่มันเต็มไปด้วยสถานที่ทํางานเต็มไปด้วยงานของพิเรนตักตวงเอาผลประโยชน์จากหัวใจสัตว์ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานเพราะการกรอบโกยเอาทุกข์เอา เพราะการก่อฟววเอาผลประโยชน์ของมันแล้วสร้างความทุกข์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายเต็มตัวโลกดินแดนเป็นอย่างนั้นหากว่าเรามีญาณมีความ ม, มีความรู้หรือว่ามีญาณอย่างทราบสิ่งเหล่านี้แล้วเราเองผู้ปฏิบัตินี้จะอยู่ได้อย่างไรเพราะในโลกนี้เต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟราคกตตินาโทสัติมาโมหกตินา ทั้งเผาอยู่ในวงปัจจุบันทั้งเสวยผลที่ทำมาแล้วก่อนแล้วที่เรียกว่าวิบากกรรมวิบากกรรมตกนรกปกใหม่เกิดไปเป็นเป็ดเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นสัตว์ตัวฉานไม่รู้กี่ประเภทนับไม่ได้เลยนี่ขนาดไหนมากขนาดไหนมีที่ว่างที่ตรงไหนที่ความทุกข์ของสัตว์ไม่อยู่เพราะจิตวิญญาณ น, นี้ เต็มไปหมดทั่วแดนโลกกถาในบรรดาจิตวิ ญ, ญญาณดวงใด ท, ที่มีอยู่เหล่านั้นดวงใดที่หลุดพ้นจากก็การกดขี่บังคับของธรรมชาติอันนี้คือพิเลตที่จะไม่ได้สร้างความทุกข์ร้อนให้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่มีเลยมีมากมีน้อยมีอยู่เป็นประจำตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเว้นเฉพาะ พ, พ, พระพุทธทเจ้า เกกับพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันทั้งหลายเท่านั้นนอกนั้นเป็นแบบเดียวกันอย่างนี้หนัก บ, บ้างเบาบ้างเป็นการเป็นเวลาแต่ยังไงก็ตามแม้แต่อยู่ในแดนนรกพิเลกก็ยังแสงอยู่ในนั้นได้แต่มันไม่ร้อนพิเลกมันไม่ร้อนสัตว์ทั้งหลายตัว รับเคราะหรับกรรมเป็นสถานที่รองรับกิเลสคือใจดวงนั้นเป็นผู้เดือดเป็นผู้ร้อนเป็นผู้เสวยกรรมกิเลสมันไม่เสวยกรรมหากเราทั้งหลายได้มียานอย่างทราบคือสมมุติขึ้นมาว่าได้มีความรู้อย่างทราบเช่นนั้นแล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรเพราะมีทางเดียวคือการประกอบความพักเพียรเท่านั้นที่จะเป็นทางหนีรอด จากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จากกองทุกข์มหันต์ทุกข์กว้างแคบขนาดไหนดังที่ประจักษ์อยู่กับตาของเราคือจะว่าตาภายในก็ได้ตาภายนอกก็ได้เพราะเรายกข้อเปรียบเทียบขึ้นมาแต่หลักธรรมชาตินั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นแต่เพียงว่าเรามาเห็นีเปิดว่าเราได้มีญาณมีความรู้เห็นอย่างนั้นแล้วเราจะอยู่อย่างที่เราอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรคนคนนี้แหละจิตใจดวงนี้แหล ความสามารถดังที่เคยปฏิบัติมาอย่างนี้แหละจะเปลี่ยนไปหมดทุกแง่ทุกมุมทุก อ, อ, อากับกิริยาความรู้ความเห็นจะพลิกตัวเข้ามาเพื่อหาทางออกด้วยการตะเกียกตะกายสุดกำลังความสามารถขาดดิ้นของหัวใจชีวิตจิตใจขาดเมื่อไหร่ถึงจะอยู่ถ้าไม่ขาดแล้วความเพียร น, นี้เป็นไม่ขาดวันดิน้นต้องดิน้น ควรโดดต้องโดดควรคราควันครานต้องครานควันวิ่งต้องวิ่งให้อยู่เฉยเฉยให้เดินไปสบายสบายสบายนี้ไม่ได้เพราะเห็นภัยอย่างเต็มหัวใจประจักกับความรู้ที่เห็นเห็นอยู่นี้มองไปเมื่อไหร่ก็เห็นรอบตัวของเราก็มีอยู่อย่างนี้เต็มไปด้วยกองทุกข์ของแห่งวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายที่ิเลสมันบีบมันบังคับมัน เทามันลนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เราจะอยู่ได้ยังไงต้องดีดต้องดิ้นสุดกําลังความสามารถและพร้อมทั้งเรามีอัดมีธรรมคือสวัสดคารธรรมของพระพุทธเจ้าดังที่พวกเราทั้งหลายได้ทรงอยู่เวลานี้จากการได้ยินได้ฟังจากการศึกษามา จะรวมตัวเข้ามาสู่เป็นสู่พลังของใจนี้แวกว่าตะเกียดตะกายเต็มความสามารถจนหลุดพ้นไปได้โดยไม่ไม่อาจสงสัยนี่หละกำลังจึงเป็นของสำคัญมากดังที่ท่านผู้มีอปนิสัยสามารถท่านเห็นโทษแห่งความเป็นอยู่ในโลกนี้แล้วยกยากสะสะแสวงหาธรรม เเป็นความร่มเย็นในการต่อไปแม้ท่านจะไม่มียานท่านก็มีความรู้สึกเบื่อหน่ายในโลกอยู่ดังประเภทกุคติตันอยู่ดังกี่ตัวอย่างที่ยกไว้ทังพระสารีบุตรพระโมคขมันนาท่านเหล่านี้สมบูรณ์ภูนผลด้วยสมบัตสิสิงคาณบริวารแต่ท่านก็เบื่ออยากสอดแสวงหาคุณงามความดีท่านจึงนับออกไปเป็น บวชเป็นเดยราถีนี้คนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านก็เป็นนักบวชคนหนึ่งเหมือนกันนี่เพียงท่านเห็นโทษแค่นี้ท่านก็ยังตะเกียกตะกายออกไปลงได้เห็นอย่าง ท, ที่ว่านี่ไม่ว่าท่านมาเราว่าใครใครจะอยู่ได้เมื่ออยู่ในวิสัยที่จะตะเกียกตะกายได้แล้วต้องตะเกียกตะกายนอกจากสัตว์ที่จมอยู่ในหม้อ น, น้ำร้อนเท่านั้น มันจะเอาอะไรไปตะเกียบตะกายนี่เรายังอยู่ในวิสัยที่จะตะเกียบตะกายได้อย่างไงก็จุดกําลังความสามารถขาดดิ้นแห่งชีวิตใจิตใจของเรานั่นแหละถึงจะหยุดการตะเกียบตะกายไม่ถ้ายังพอดิ้นได้ยังไงก็ต้องดิน้นไม่อยู่เพราะเรื่องของทุกในโลกนี้ทุกอย่างนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ มีคำว่าโกหกสัตว์โลกว่ า, านางอุดราปานี้ก็เหมือนกันทรงอย่างทราบไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรปิดบงังลี้ลับพระญานของพระพุทธเจ้านั้นเลยเหตุใดพระองค์จะไม่เห็นสิ่งดังกล่าวเหล่านี้อันนี้เพียงเรานำมาพูดให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายฟังโดยที่เราก็ไม่ได้มีงานมีความรู้อันใดแต่ เราแน่ใจร้อยเปอร์เนว่าธรรมชาติที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นความจริงทางนั้นแล้วนํามาสั่งสอนหมู่เพื่อนก็เรายังกล้าสั่งสอนเหตุใดพระพุทธเจ้าทรงรู้จริงเห็นจริงรอบไปหมดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรปิดบังนี้รับทําไมจะไม่ทรงรู้ทรงเห็นทําไมจะไม่นํามาสอนโลกให้เต็มที่เต็มฐานเต็มพระสติกําลังความสามารถ ด้วยอำนาจแห่งเมตตาเป็นสำคัญต้องสอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนโลกไม่ได้สอนเหมือนอย่างใครใครสอนโลกเลยเป็นเอกทั้งาศาสดาด้วยทั้งความรู้ด้วยทั้งอุบาในการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกที่ควรจะสั่งสอนอย่างไรด้วยไม่มีใครเกินาศาสดาดในเรื่องความฉลาดแหลมคมฟังแต่ว่ายานยาน ความฉลาดแหลมคมก็เป็นเช่นเดียวกับคําว่าญาญญานั่นแหละควรจะสั่งสอนสัตว์โลกด้วยวิธีการใดพร้อมจะเป็นผลประโยช น, น์ในแง่ใดพระองค์จะทรงสั่งสอนเต็มพระสติกาลังความสามารถเพราะทรงเห็นโทษแห่งกิเลสที่ย่ำยีตีแหลกสัตว์ทั้งหลายมาประจําสมมุติอันนี้นานจากเท่าไหร่แล้วกว้างแคบขนาดไหนพระองค์ ไม่ต้องไปคำนึงคำนวณถ้าอย่างสมัยปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าทราบด้วยคอมพิวเตอร์พระยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าถ้าเทียบก็เป็นอย่างนั้นแต่ยังละเอียดกว่านั้นไปอีกสักกี่เหมือนกี่แสงกี่ล้า น, ล, านล้านเท่านี่เพียงอามาเทียบเท่านั้นแล้วเหตุใดพระองค์จึงจะไม่สั่งสอนสัตว์โลกให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วที่นี้สมมติว่าเรา เห็น่เพียงแง่ดแง่หนึ่ง ไ, ไม่ได้มากถึงพระองค์ก็ตามก็จะต้องตัเกี่ยวตักายอย่างที่ว่านี้แล้วในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ที่เรามาประพฤติปฏิบัติอยู่ด้วยความเป็นนักบวชเช่นนี้ตั้งหน้าตั้งตาที่จะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อยู่แล้วสิ่งใดที่เป็นค่าศึกต่อความพ้นทุกข์สิ่งใดที่ที่เป็นทุกข์ให้เราได้พยายามเหยียบย่างเพื่อ ข้ามพ้นทุกนั่นคืออะไรก็คือทุกขทุกนี่เป็นผลมาจากอะไรก็เป็นผลมาจากกิเลสที่สร้างทับหัวใจของสัตว์โลกทั้งนั้นแตพ่ออย่างยิ่งสร้างทับบนหัวใจเราเหตุใดเราจะอยู่ได้อยู่เฉยๆเดินธรรมดานัน่งสมาธิภาวนาทั้งว่วงทั้งหลับสบัง บ, บงบงานอยู่ได้อย่างที่เป็นอยู่เวลานี้อย่างไรก็จะต้องดิ้นจนสุดฉีด ความสงบพวกงานจะไม่มีมาเหลือเลยยิ่งกว่าความกลัวเป็นกลัวตายกลัวความทุกข์ที่จะเผาเราอีกถ้าถ้าอาย่อยกเป็นข้อเปียบเก็ียบแล้วก็เราไม่ต้องเอามากแล้วเอาเมื่อเดือนก่อนนั้นสามสิบวันเคยถูกกิเลสสับฟันมาเลือดสาดไปเต็มเนื้อเต็มตัวตายเรามีสลบสลายก็มีในอัตภาพของเราอัตภาพเดียวนี่แล้วเดือนนั้น ทั้งสทั้งทั้งสามสิบวันนั้นเราได้ถูกกิเลสสับย้ำ ม, มาตลอดในวันนั้นวันนั้นเป็นภพหนึ่งชาติหนึ่งภพหนึ่งชาติหนึ่ง ม, มาจนกระทั่งถึงเดือนนี้เราก็ได้เห็นเช่นนี้มาถึงเมื่อวานนี้ก็เห็นอย่างชัดๆัดว่าถูกสับถูกฟันถูกฆ่าวันนี้ก็เห็นอย่างชัดชัดว่ากิเลสมันสับมันฟันอยู่ตลอดเวลาเลือดสตร์หรือเลือดไหลอาบตัวของเราเหมือนกับอาบน้าอยู่นี่และวันพรุ่งนี้มันก็จะเตรียมจะสับจะฟันแล้วอีก ยิ่เป็นอย่างนี้แล้ววันมารืนก็จะต้องเป็นแบบเดียวกันนี้เราจะนี่ยงนอนใจอยู่ได้ไหมล่ะพีน่นาซึ่นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านทรงเห็นภัยของโลกท่านเห็นดังนั้นอันนี้เป็นเพียงเทียบทีเฉย น, นะยิ่งเห็นยิ่งลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกอันนี้เรามาเทียบอย่างนี้แล้วเป็นยังไงความเพี่ยงของเราเราเอาเพียงย่อๆเท่านี้เฉพาะอัตภาพของเราที่มันเกิดมันตายเพราะความ <c oughs> ถูกสับถูกย่ำของกิเลสประเภทต่างๆให้รับความทุกข์ความทรมานมาถึงวันนี้ก็ถูกสับถูกย่ำให้เห็นประจักษ์อยู่เรื่องของกระแสของกิเลสออกในหัวใจแง่ใดมุมใดเป็นเรื่องสับเรื่องฟันให้เราได้เจ็บได้ปวดแสบร้อนอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี้ด้วยความมีสติสตังหรือมีปัญญาของเราแล้วแล้ววันพรุ่งนี้มันจะทําอย่างนี้อีกเป็นยังไงเราพีจารณาทีเราจะนอนจะได้ไหม ถ้า ว, วันมาเลืนก็จะต้องเป็นอย่อยางนี้และตั้งกับตั้งกันเราจะต้องแบกต้องรับกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปเป็นยังไงเฉพาะที่เป็นอยู่บัดนี้ก็ทุกพอแล้วเราทําไมจะสามารถทนอยู่ได้ว่าจะต้องรับภาระต่อไปแบบหน้าตาเฉยนี่อยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้เมื่อเป็นเช่นั้นความเพียรที่จะให้หลุดลอดออกไปได้ในขณะใ ด, ดเวลาใดเราจะต้องตะเกียกตะกายเต็มสติกาลังความสามารถของเรา นั่นแหละเพราะฉะนั้นความเพียรจึงเด่นความเพียรจึงดีความเพียร จ, จ, จึงกล้าจึงสามารถสติปัญญาจะมาจะเสริมสร้างกันขึ้นด้วยพลังของใจที่จะให้หลุดพ้นด้วยความเพียรสติปัญญาจะมาพร้อมๆกันโดยลําดับลาําดาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่สติปัญญามีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายใ น, ในใจิตใจทีเลส จ, จะค่อยอ่อนลงไปอ่อนลงไปเพราะสติปัญญาได้เกิดขึ้นมาจะพ่ออย่างยิ่งปัญญา เกิดขึ้นมาในแง่ใดมุมใดเป็นการเกิดขึ้นมาเพื่อสังหารกิเลสไปพร้อมๆพอมๆพร้อมๆกันเรื่อยแล้วยิ่งเป็นสติปัญญาที่แก้วกล้าสามารถด้วยแล้วก็ยิ่งจะฟาดฟันกิเลสถ้าเห็นประจักษ์นั่นแหละที่นี้ก็ต้องลืมหลับลืมนอนลืมกินลืมถ่ายลืมไปหมดพอเข้าจลุมบอนกับกิเลสเพื่อม่ให้มันต่อเนื่องไปถึงวันพรุ่งนี้ที่จะต้องถูกมันสับมันฟันให้เลือดอาบหมดทั้งตัวเช่นเดียวครับเข า, เข า, เขาอาบน้ําอีกต่อไป เฉพาะเดี๋ยวนี้ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นจึงต้องฟัดต้องฟันต้องต่อสู้กันสุดเบี่ยงมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเท่าไร่โหมกันมาโหมกันมาเอาให้หม้วนเสื่อในเดี๋ยวนี้ไม่ให้มันมีเงื่อนต่อไปถึงวันพรุ่งนี้เลยนั่นแหละความเพียรมีเท่าไหร่มาหมดมาหมดนี่ถ้าจิตได้มีความรู้สึกพอเป็นเครื่องเทียบเคียงดังที่กล่าวมานี้ความเพียรของผู้ปฏิบัติเรา เริ่มมาตั้งแต่มาศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์จะมีความขยันหมั่นเพียรตั้งอกตั้งใจกว่าปกติที่เป็นอยู่เวลานี้และเป็นมาแล้วและจะดียิ่งขึ้นไปผลก็จะประจักษ์ขึ้นภายในจิตใจของตนสมาธิไม่เคยมีความสงบไม่เคยมีก็จะมีขึ้นด้วยการภาวนาเพื่อสมาถะธรรมเช่น เรานำทำบทใดเข้ามาบริกรรมทำบทนั้นกับใจของเรากสติของเราจะกลมกลืนกันอย่างแยกไม่ออกเพราะความเห็นไผ่เป็นสําคัญถ้าถ้าดทำอะไรก็เท่ากับเราตกจากสะพานไม้ลําเดียวลงจมน้ำ น, นั่นแหละใครจะไปตกสะพานเวลานั้นต้องตั้งสติตังให้เต็มที่ไม่ให้ตกตายสะพานไม้ลาเดียวข้าม ลำแม่น้ําไปเขามีสติไหมเวลาเขาไตา่ตไม้ไายไม้ลาเดียวเดินไปไม้ลําเดียวนี่ก็เหมือนกันเราสติกับใจของเรานี่ให้กลมกลืนกันถึงขนาดนั้นแนบสนิทแล้วที่นี่ความสงบไม่ต้องบอกจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยลําดับลําดาด้วยพลังของใจที่มีอยู่อย่างว่านี่นี่คําว่าสมาธิไม่เคยมีก็มีในหัวใจเรา เป็นยังไงที่นี่สมาธิคือความสงบใจกับความฟุ้งซ่านของใจซึ่งเป็นเหมือนกับไฟเผาโดนอยู่ตลอดเวลาต่างกันไหมนี่ก็เทียบเทียงกันได้แล้วออกจากนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาในวรรคต่อไปที่ควรจะพิจารณาแต่ไม่ใช่พิพจารณาในวาระเดียวกันต่างวาระกันคือช่องของปัญญาเดินด้วยปัญญามีช่องที่จะทําความสงบเพื่อเอากําลังใจก็มี ปัญญาข้อเก้าเดินเดินอย่างเพลินเดินอย่างลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมเหน็ดลืมเหนื่อยเมื่อยล้าลืมไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่หมุนตัวเป็นธรรมจักรอยู่ระหว่างปัญญากับกิเลสฟัดกันฟัดกันนะทีนี้กิเลสตัวไหนจะเหนียวแน่นมาขนาดไหนพระพุทธเจ้าเคยสังหารมาแล้วด้วยพระปีชาความสามารถของผงก็คือพระปัญญานั่นเอง พระษาวกทั้งหลายได้สังหารกิเลสมอบราบไปหมดได้ครองมหาสมบัติคือนิพพานสมบัติเต็มหัวใจทั้งพระพุทธเจ้าและระษาวกเพราะอำนาจแห่งปัญญานี่แหละชาตินี่แหละจะเป็นอะไรไปพวกเราทั้งหลายเมื่อนำมาใชา้ด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความเห็นโทษเห็นคุณจริงๆแล้วสาธนาธรรมก็คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพาน <c oughs> เปิดเผยให้รู้หมด ว่านี่สินค้านี้ราคาเท่าไหร่สินค้าราคาเท่าไหร่เปิดหน้าห้างหน้าร้านเอาไว้ให้เห็นหมดเอาใครทำไมจะไม่อยากได้ของที่มีคุณค่ามากเพราะอยู่ในความสามารถของผู้ที่ของผู้ที่จะอาจจะเอื้อมให้ได้ในสินค้าเหล่านี้ไม่ไดยอมว่าใครขอให้มีความสามารถจะได้เป็นสมบัติของตัวได้ชมสมบัตินั้นเป็นของตัวโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อเป็นเช่นนั้นทําไมความเพียนของเราก็มีเราเป็นคนคนหนึ่ง สติเรามีปัญญาเรามีความภาาเพียรของเรามีทําไมจะมาโหมตัวเข้ามาเพื่อสมบัติที่มีค่ามากหรือมะมหาสมบัตินั้นเป็นลําดับลําดับเ่าเนี่เมื่อเปลี่ยนฉะนั้นคำมาตลาดแห่งผลิพานมันก็ธรรมะเหล่านี้หรือว่าสมบัติเหล่านั้นก็กลายเข้ามาสู่ใจใจก็เลยเป็นกลายเป็นตลาดแห่งผลิพานขึ้นมาให้เจ้าของได้ชมอย่างเต็มหัวใจนานนี่ยนเข้ามา เข้ามาสู่ตัวขอเรานี่มาเป็นสมบัติของเราแล้วสมบัติของพระพุทธเจ้าที่ประกาศได้ประกาศทำสอนโลกอาไว้เป็นกลางๆนั่นเยอะกว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเราประพฤติปฏิบัติจนสามารถได้ทำเหล่านั้นมาเป็นสมบัติของเราตั้งแต่สมาธิขึ้นถึงขั้นปัญญาวิมุตต์หลุดพ้นกลายเป็นใจของเราเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานใช่เองนี้เยี่ยม ภูมใจถ้าจะภูมิไม่มีอะไรยิ่งประเสริฐเลิศเลยยิ่ง ก, กว่าผู้ครองมรรคผลิพานอยู่ในตลาดคือหัวใจที่บริสุทธิ์นี้เป็นสำคัญลึ้นไม่มีใครจะเลยจากนี้ไปได้เลยยิ่งกว่านี้ไปได้เลยเนีอะไรทำมาเลิศเลิศที่ตรงนี้ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ให้เอาจิงเอาจังมาศึกษาก็ให้ตั้งใจศึกษาอย่ามาเล่เล่หล่อนห่อนอย่างที่ว่านี้คือความไม่เห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษทั้งหลายแล้วก็จะไปโดนเอาโทษนั่นอีกไม่มีจบมีเส้นลงไปได้เลยก็คือพวกเราพวกตายไม่เข็ดพวกทุกข์ไม่เข็ดไม่หลับตายแล้วตายเล่าเพราะอำนาจแห่งความทุกข์ความทุกข์บีบบังคับแล้วกิเลส ทั้งหลายมันก็ปิดบังปิดบังไว้ปิดบังไว้ไวม่ให้มองเห็นสิ่งที่เป็นมาเดียเราก็นอนใจนอนใจข้างหน้าก็เหมือนจะจะไม่มีอะไรไม่มีทุกทัทั้งที่เคยมีมาแล้วขนาดไหนเราก็ไม่เห็นไม่รู้ในสิ่งที่ผ่านมาแล้วแล้วก็จะแล้วก็จะให้ประมาทไปในอนาคตอีกไม่มีที่จบสิ้นลงได้เราก็กลายเป็นใจที่ดวงที่ประมาทเพราะอานาจแห่งกิเลสมันครอบงาปิดบังไว้อย่างมิดชิดมองไม่เห็นแล้วจะทางออกแห่ง ความพ้นทุกข์ของเราอยู่ที่ตรงไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่มีแลงเหตุใดถึงจะมีได้ก็าศาสนาธรรมของพระเจ้าประกาศกังวานอยู่นี้เป็นธรรมโกโหกเมื่อไหร่ยโส เ, เป็นเครื่องโกหกผ่านมาแล้วก็ไม่เห็นไม่มีออนรกตกมาแล้วไม่รู้กี่กับกี่กันกี่ครั้งกี่หนมาแล้วก็มันก็ไม่เชื่อว่านรกมีบาปก็คือมหันตทุกถึงขั้นมหันตทุกบาปก็เคยจมมาแล้วกับบาป ถูกเผามาแล้วมากขนาดไหนมันก็ไม่เชื่อว่าบาปนั้นมีเสีย น, นั่นก็คือเรื่องของกิเลสมันปิดป้ายปิดไว้แล้วขับไปข้างหน้าก็เช่นเดียวกับข้างหลังที่เป็นมา น, นีกข้างหน้าก็ไม่มีนรกข้างหน้าก็ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานก็มีแต่แต่ความอยากเต็มหัวใจความอยากเต็มหัวใจมันเอายาพิษฝังไว้ในความอยากนั้นแล้วอยากอะไรเป็นเรื่องของกิเลสเสียทั้งมวลทั้งมวลทั้งมวล แยบออกไปตรงไหนก็มีแต่ยาพิษยาพิษเผาลงไปเผาลงไปเป็นยังไงพวกเราที่โง่เข่าปัญญาที่สุดที่ได้จมในกองทุกเวลานี้ไม่มีวันเ็ลหลา บ, บ้างหรือถามตัวเองสิสาศาสนธรรมมเจ้าที่ประกาศทางวันอยู่นี่เป็นสขุขคารธรรมตรับไบว้ชอบแล้วชอบแล้วทำไมมันจึงไม่ฟังทำไมมันจึงไม่เชื่อมันจึงไปเชื่อสิ่งที่จอมปลอ ม, อมที่เคยตุ้มต้มตุน มามากต่อมากแล้วก็คือกิเลสกิเลสตัวใดที่เคยเป็นความจริงให้เชื่อถือได้มีไหมแล้วถ้าวา่าจะพูดเป็นโคตรเป็นแทกก็ตั้งแต่ปู่ย่าตายายโคตรแทกของกิเลสมาถึงลูกเต้าหลานเหลียญมีแต่จอมโกหกทั้งนั้นโกหกสัตว์โลกอยู่ได้โดยการโกหกธรรมชาติอันนี้ยุบบนหัวใจของสัตว์เพราะฉะนั้นจึงบีบบี้สีไฟสัต ว, ท ว, ตว์ทั้งหลายรับความทุกข์ความทรมานถ้าพวกเราทั้งหลายได้เห็นด้วยตายานจริงแล้วจะอยู่ได้ยังไงโลกอันเนี้ยเฉพาะตัวของเรานี้มีที่ไหนตรง ตรงวางใจของเราลงไปได้มีแต่เป็นปืนเป็ น, ป น, ปนไฟด้วยกันหมดทําไมจะไม่ดีดไม่ดิน้นคนเราต้องดิน้นสูดฉีดทีเดียวขอให้รู้ให้เห็นเถอะนะอันนี้มันไม่รู้ไม่เห็นนั่นสิมันถึงหลับหูหลับตาชนแล้วชนแล้าโดนแล้วโดนแลาวตกแล้วตกแล้วตกเหวตกบ่อตกระลกอเวกีตกสักกี่กับกี่การมันก็เท่าเท่าเท่ากันกับไม่ตกเพราะถูกปิดถูกบังไปเรื่อยไม่เห็นเลยข้างหน้าก็เป็นอีกแบบเดียวกันดังที่เป็นอยู่เวลานี้ที่นี่ในขณะนี้ก็ กิเลสมันหลอกไปที่ไหนออกไปทางตาทางหูทางจิตทางจมูกทางนิ้นทางกายมันถักมันดันออกตามช่องทางอันนี้เพราะอํานาจของกิเลตตัวสําคัญมันเต็มอยู่ภายในหัวใจจนอัดแน่นจึงผักดันออกมาเราก็ยังไม่รู้จะทำหน่มันละเอียดไหมกิเลตเราไม่รู้ว่ากิเลตดันผักดันออกมาให้เราคิดเราพูดให้เราดูให้เราเห็นให้เราฟังให้ได้ยินให้คิดอ่านใจ ต, ตองมีแต่เรื่องของกิเลตทั้งมวล เรื่องทำมีที่ตรงไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นพิเรศเอาความสงบนมาให้ใครมีแต่เรื่องเรื่องต้มเรื่องตุน๋นเรายังจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานเท่าไหร่เพราะเราไม่ดูนีจ่จังหวงพระอานารยจึงต้องหาอัธหธรรมทีสติธรรมปัญญาธรรมมาเป็นเครื่องแก้กันเริ่มตั้งแต่สมาธิธรรมเข้าไปให้ใจสงบเราจะมีที่ยับยั้งช่างตัวถ้าใจไม่สงบแล้วหาที่ยับยั้งช่างตัวมัได้ น, นะพระเราก็าตา่างถ้าเหลืองมีในตาไม่หดไม่ยากศีรษะใครโกนก็ได้ แต่ใจมันเป็นพื้นเป็นไฟนั่นนะกองทุกข์อยู่ที่พื้นที่ไฟนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่ผ้าเหลืองไม่อยู่ที่หัวโลอ น, โ, ลอนโกนคิ้วนะมันอยู่ที่หัวใจสั่งสมเ อ, อกปื้นเอาไฟราคักกินาโทวศักกินามอกกินาเขาอยู่ที่นั่นกองทุกข์อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นถึงจะแก้ท่านทิ้งสอนให้แก้ลงที่จุดนั้นเพื่อใจเรีนรับความสงบพอสงบแล้วก็ตั้งตัวได้มองนู้นมองนี้ได้แหละคนเรามองดูดินฟ้าอากาศที่ไหนหพอมองได้เมื่อพอมีความสุข บ, บ้างแล้วจากนั้นก็เพิ่มความ สมรติธรรมของเราให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปด้วยการเอาจริงเอาจังเราอย่าทําเล่นๆนะทำพระเจ้าไม่ใช่เป็นทำเล่นๆนะทำแก้ทุกจริงๆทําเห็นทุกจริงๆทําเห็นกิเลส จ, จริงๆทําฆ่ากิเลสได้จริงๆไม่ใช่ทําแบบคําบอกเล่าหรือว่าพูดกันป่าเปล่าๆศ า, าสานาพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเจ้าของศาสนาปเป็นพุ่มสิ้นที่เดลสแล้วและทรงสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดสอนโลกสอนโลกโล ก, กวิถีกูกไม่ได้สอนด้วยคำ มืดดำกำตาพระพุทธเจ้าสอนโลกโลกระวิูรู้แจ้งทั้งโลกนอกโภคในตลอดทั่วถึงไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าไม่มีคู่แข่งการสอนโลกจริงไม่มีคู่แข่งสอนได้หมดทุกแง่ทุกมุมที่สัตว์ทั้งหลายจะได้รับประโยชน์ในแง่ใดพระองค์สอนทั้งนั้นนั่นฟังสินี่แหละธรรมะบุญเจ้าปราบยิ่เหลือมาได้เท่าไหร่แล้วฟังสิท่านไม่ใช่ธรรมะแบบเป็นโมขะโมคฆะว่าอะไรมี ม, มีอย่างนั้นจริงๆ พระบริธาจ้าไม่ไมาโกโหกโลกถ้าสัตว์โลกไม่เชื่อก็เป็นกรรมของสัตว์เองถ้าเชื่อก็เป็นบุญกรรมของสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่จะได้ตะเกียบตะกายตนเพื่อความดุดพ้นนั้น<ม>และสั่งสมคุณงามความดีตะเกียบตะกายเพื่อความดีให้เด่นขึ้นไปเด่น <ๆ S 1> ไป <ๆ S 1> <ๆ>ก็หลุดพ้นจากทุกได้เพราะอำนาจแห่งธรรมพุทธเจ้านี่ธรรมก็มีอยู่ท่านประกาศไว้แล้วเป็นของเล่ น, เ, ลนเมื่อไรกิเลสไม่ใช่ของเล่นธรรมจะเป็นของเล่นไงกิเลสเป็นข้าศิกต่อหัวใจของสัตว์โลกจริงๆโลก ได้รับความเดือดร้อนมาทุกหย่อมยญาคืออะไรเป็นเป็นผู้พาให้โลกได้รับความทุกข์ก็คือกิเลสประเภทเดียวนี้เท่านั้นกิเลสคําเดียวนี้เท่านั้นมันครอบไปหมดทั่วแดนโลกธาตุกี่พบกี่ชาติละ่ะการมาโลกรูก้ไปโลกอรู้ไโลกลการมาพบรู้พบรู้พตรงไหนที่กิเลสไม่คลองในหัวใจของสัตว์ซึ่งอยู่ในพบนั้นๆไม่มีเลยทางสิแล้วเหตุใดจะไม่เป็นเป็นพิษเป็นภัยเหตุใดจะไม่รับกองทุกข์ลงไฟตัวนี้ได้เข้าเผาที่ตรงไหนแล้วมันแหลกไปทั้งนั้นนะี่ย พระพุทธเจ้าก็เห็นแล้วอย่างประจักษ์แล้วนํำทำเขมาเป็นน้ําดับไฟประกาศสอนโลกเพื่อแก้ทุกข์แก้กิเลสทั้งหลายเอาใครฟังก็ได้แต่ใครไม่ฟังก็จน ก, ก็จนใจจะทำํำไงกรรมของจัดอย่างที่ว่านั้นนี่เราทั้งหลายเป็นนักบวชเป็นนักปฏิบัติพร้อมอยู่แล้วที่จะปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมบุญเจ้ากําลังมังช้างเราไปไหนมันก็มีอยู่นี่ สติปัญญามาจากไหนตู้สติปัญญามีอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่หัวใจทำท่านบอกลงในที่นี่สอนลงในที่นี่เรามรักผลนิพพานก็เหมือนกันที่จะรับมรรคผลนิพพานจริงคือหัวใจเช่นเดียวกับรับกิเลสนั่นแหละเมื่อเต็มภูมิแล้วก็จะรู้กันขึ้นที่ตรงนี้เมื่อได้เปิดเผยแล้วจะสว่างไปหมดเลยในบนรรดาเรื่องของกิเลสในบนรรดาเรื่องกองทุกข์ของสัตว์โลกกระจายไปทั่วโลกดินแดนไม่มีอะไรปิดบังลี้รับ หัวใจที่บริสุทธิ์นี่เลยเห็นไปหมดรู้ไปหมดถึงการที่จะรู้ถึงการตียงปิดไม่อยู่จะเอามาปิดความจริงมันมีนี่ความรู้ตามตรงจริงมีทําไมจะไม่เห็นกันไม่เจอกันเอาเปิดให้ใจให้มันถึงความจริงสิความจริงมีอยู่นั่นจะลี้รับความจริงธรรมชาติที่รู้นี่ได้ยังไงต้องเปิดต้องเผยต้องรู้ต้องเห็นนั่นท่านพระเจ้าท่านท่านรู้อย่างนั้นและท่านเห็นอย่างนั้นท่านสอนโลกท่านสอนอย่างนั้นเน่ะ แล้สอนพวกเราท่านก็สอนอย่างนั้นนอกจากพวกเราไม่ทําอย่างนั้นเท่านั้นเองมันถึงปีนเกลียวกันโดดไปหากิเลสไอ้กิเลส เ, เอาไปต้มไปตุ๋นคอขาดแขนขาดขาขา ด, ขาดเอาไปเหลือเท่าไรยังบิ่งกำมันไปตลอดเวลาโลกกําลังบิ่นไปตามกิเลสโลกจึงต้องเป็นทุกข์นี้มากมากาดกองเคยวิ่งมาขนาดไหนเราก็ยังไม่เห็นเอาปัจจุบันนี่สิให้เห็นอยู่นี่เป็นยังไงแม้ว่าท่านว่าเรามันเป็นแบบเดียวกันหมด ไม่มีใครที่จะทรงตัวได้ด้วยความสงบสุขร่มเย็นเลยมีตั้งแต่ความดีบความดิมด้นวุ่นวายไปหมดเนี่พากันตั้งใจมาพิจารณาปฏิบัตินะยานอนอกนอนใจมาศึกษาจริงๆปฏิบัติจริงๆอย่าเห็นเป็นเรื่องเล่นๆนะธรรมะวิเจ้าไม่นจะเล่นดังที่ว่ามานี่แหละกิเลสไม่ใช่เรื่องของเล่นเป็นฟื้นเป็นไฟเผาเรามาได้กี่กับกี่กันแล้วก็คือกิเลสและธรรมที่จะทรงเราให้หลุดพ้นจากทุกเป็นอนันตการไม่ต้องมีอนิจจังตุคขันตตาเข้าไปเกี่ยวข้องคือ ถึงความบริสุท์แล้วเป็นอย่างนั้นก็จะมีในตัวของเรานี่มีนธรรมพระพุทธเจ้าที่สอนมา น, นี่แหละให้ตั้งใจเพฤฤฤฤฤฤฤื่อปฏิบัติแล้วจะมีตั้งแต่ตำลับตำรานะเวลาศาสนาท่านสอนไวเ้เพื่ อ, เ พ, อเพื่อความจริงแท้ให้เห็นตั้งชื่อให้เห็นตั้งความจริงฮนี่มีแต่ชื่อถ้าสมมุติว่าในธนาคารก็มีแต่บัญชีของเงินไม่มีเงินในธนาคารมันเป็นธนาคารมาได้อย่างไรสำเนาประโยชน์อะไรมีแต่ชื่อเฉยๆใครเชียอก็ได้เนี่ย อันนี้ก็มีแต่ศาสนาเต็มหัวเต็มหัวใจด้วยความจำแต่ศาสนาความจริงที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติที่จะทรงบ้างตั้งแต่สมาธิปัญญาขึ้นไปไม่มีแล้วจนกระทั่งถึงมิมุติหลุดพ้นยิ่งไม่มีใหญ่ไม่สนใจแล้วไม่เชื่ออีกซึ่งด้วยซ้ําแล้วหมดทางแล้วนะชาพุทธของเราถ้าลงไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วหมดหนทางที่จะไปไม่มีเราอย่าหวังอะไรเลยลงไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเฉพระองค์เดียวที่เท่านั้นอันใดเที่จะดียิ่งของาพระพุทธเจ้านี่ไม่มีใครที่จะจริงรู้แน่รู้จริง รู้จริงเห็นจริงดังพุทธเจ้านี้ไม่มีเราจะไปหวังพึ่งอะไรว่าดีกว่าพุทธเจ้าทางที่ทิเลตมันก็ตัวเป็นเป็นตัวภัยอยู่แล้วก็ทราบกันอยู่แล้วเราท่านเราจะหวังพ้นทุกก็ต้องเพื่อทุกทั้งหลายออกจากหัวใจเราเราก็ต้องเชื่อพุทธเจ้าเชื่อพุทธเจ้าเชื่อธรรมที่ท่านสังสอนไว้นำมาเพื่อปฏิบัติให้รู้สิจะไปไหนมันต้องรู้ทำตั้งแต่บอกว่าอาการิีโกอาการิีโกอยู่แล้วนี่การสถานที่เวลาเมื่อไหร่ ยิเดชมันไม่เห็นมีการมีสถานที่มีเร่เวลามันอยู่บนหัวงใจสัตว์ตลอดมาแล้วเมื่อเมื่อไหร่มันจะแก่จะขําคข้าชราแล้วกิเดชจะตายไปจากหัวงใจใจแล้วได้ใจจะเป็นอิสระเคยมีไหมในหัวงใจตรงไหนไม่เคยมีและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปอีกเช่นเดียวกันถ้าไม่แก้ถ้าไม่ทําลายมันถ้ามันขาดสูญไปจากใจด้วยอํานาจแห่งทําเป็นเครื่องปราบปรามเท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นทางออกแห่งความพ้นทุกย้งพาการตั้งอกตั้งใจไปปฏิบัติให้ดีนะเอาละแค่นี้เหนื่อย